จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20พระพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 4เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาไว้เพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการศึกษาแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญต่อไป ถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วไปปฏิบัติก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกๆูถ้าเดินทางก็ยังไม่ได้ดูแผนที่ไม่ได้ปรึกษากับผู้รู้ว่าทางที่จะต้องการจะไปนี้ไปทางทิศใดถ้าเดินทางโดยไม่ได้ปรึกษาดูแผนที่ก่อนเดินไปก็จะหลงทาง จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้ดังนั้นก่อนที่จะปฏิบัติให้ได้อย่างถูกต้องให้ได้บรรลุผลก็ต้องศึกษาให้รู้จักวิธีการปฏิบัติให้รู้จักแนวทาง <c oughs> ที่จะต้องดำเนินไปการศึกษาและการปฏิบัตินี้ ถึงจะทำให้เกิดผลขึ้นมาดังนั้นถ้าเรายังไม่รู้จักทางที่จะนำไปสู่ควาหมหลุดพ้นจากความทุกข์พาไปสู่ความสุขความเจริญเราก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆในสมัยพระพุทธกาล พระองก็ได้ทรงกำหนดหรือบัญญัติวันพระขึ้นมาเรียกว่าวันธรมรมะสวัสวันธรมรมะสวนัสนี้แปลว่าวันฟังธรรมอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะฟังเทศฟังธรรมกันสักครั้งหนึ่งในสมัยโบราณเราใช้ปฏิทินทางจันทรคติคือวันขึ้นแรง ตามการโคจรของดวงจันทร์แต่ในสมัยปัจจุบันนี้เราใช้ปฏิทินทางสุริยคติคือการโคจรของดวงอาทิตย์จึงมีวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดทำงานในสมัยโบราณหรือในสมัยปัจจุบันนี้ทางพระพุทธศาสนา ยังใช้ปฏิทินจากทางจักรทคติอยู่จึงมีวันหยุดเป็นวันพระวันโกนซึ่งจะไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เสมอไปคนในสมัยใหม่จึงไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมกันเนื่องจากวันพระนั้นไม่ได้ตรงกับวันหยุดคือวันเสาร์ วันอาทิตย์เสมอไปจะได้ฟังก็ในช่วงที่วันพระตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์และในเวลาว่างจากภารกิจการงานแล้วก็ได้เดินทางมาวัดเพื่อมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมความหลงหรือความเห็นผิดกันชอบจึงมีมากในสมัยนี้ เพราะการฝั่งเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี้มีน้อยลงไปดังนั้นในปัจจุบันทางวัดเลยต้องปรับปรับการแสดงธรรมเทศนาใหม่คือมีการแสดงธรรมเทศนาทั้งในวันพระและในวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อญาติโยม ที่สามารถไม่สามารถมาวันพระได้จะได้มาในวันเสาร์วันอาทิตย์แทนได้ดังนั้นผู้ที่หยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สามารถใช้วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระวันธรรมมสวนาวันฟังธรรมได้ดังที่วัดยานี้ได้ปฏิบัติมา ก็จะมีการแสดงวระธรรมเทศนาทั้งในวันพระและวันเสาร์และวันอาทิตย์ประมาณ8ปดโมงหรือสายกว่านั้นหน่อยขึ้นอยู่กับว่ามีญาติโยมมาทำบุญตักมามากน้อยเพียงไรถ้ามีมากก็จะสายหน่อยโดยเฉพาะวัน เทศกาลเช่นวันมาคะวิสาขะวรนอาสาฬหบูชาจะมีญาติโยมมาทำบุญกันนันาา่นศาลากว่าจะตักบาตรกว่าจะถวายอาหารข้าวหวานต่างๆเสร็จเรียบร้อยก็เกิดบเข้าไปเวลาประมาณ9ก้านาริกานัน่นเป็นเฉพาะวันเทศกาลใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างวันนี้ก็จะประมาณ ระหว่าง8โมงถึง8โมง15ก็จะมีการพูดธรรมาให้ญาติโยมได้ฟังเพื่อที่จะได้มีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาความรู้ที่จะนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ การฟังเทศฟังธรรมนั้นก็ส่งแสดงไว้ว่ามีอ น, นิสงส์อยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. งสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้น 3. จะ กำจัดความลำเลสงสัยไปได้ 4. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องและ 5. จะทำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุข <c oughs> การที่จะรับอานิสงส์ของการฟังเทศน์นี้ได้จำต้องมีกายวาจาใจที่สงบคือกายจะต้องนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไร ไม่พูดอะไรวาจาก็ไม่พูดอะไรใจก็ต้องจดจอ่ออยู่กับการฟังเทศไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าร่างกายทำอะไรอยู่วาจากําลังพูดอยู่ใจกําลังคิดอยู่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็จะไม่เข้าไปอยู่ในใจจะเข้าหูซ้ายออกหูวหวขวาไป ก็จะฟังไม่รู้เรื่องจะไม่ได้รับอนิสงส์จะไม่ได้มีความเห็นที่ถูกต้องจะไม่สามารถกจาจัดความลังเลสงสัยให้หมดไปได้จะไม่มีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานมีความสุดดังนั้นเวลาฟังเทศ์ฟังธรรมจึงต้องมีกายวาจาใจที่สงบคือมีสีงและมีสมาธินั่นเอง กายความสงบกายสงบวาจานี้เรียกว่ามีเรียกว่าศีลคือขณะนี้เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้เสกสุรายามาและเราก็มีวาจาที่สงบคือไม่พูดไม่คุยไม่พูดปดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยา ไม่พูดสอเสียนี่เรียกว่าศียงส่วนสมาธิก็คือใจของเราตั้งอยู่ในปัจจุบันตั้งอยู่ในความสงบไม่คิดตุงแต่มีแต่เฝ้าจดจอ่อคอยรับฟังเสียงธรรมที่มาเข้ามาในหูและเข้าไปในใจถ้าฟังอย่างนี้ถ้าผู้แสดงธรรมนั้นมีธรรมะ ที่แท้จริงมาแสดงเช่นพระพุทธเจ้าผู้ฟังก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยถ้ามีภาชนะรองรับอยู่คือต้องมีใจที่มีศีลบอยสุดและมีสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงดังเช่นพระอญญานยโกนธัญญะหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ที่น้งจากได้ฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเป็นครั้งแรกที่เรียกว่าพร ะ, พระธรรมเทศนาคือพระธรรมจักปปวัตตนสูตรทรงแสดงเรื่องอริยสัจสี่ทรงแสดงเรื่มมรรคแต่พอพระอัญญาณโกนทัญญาฟังก็ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมมีสัมมาทิฏฐิ หายสงสัยในเรื่องของความทุกข์ว่าเกิดได้อย่างไรและดับได้อย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าทรงแซงทรงแสด ง, ง, ง, ง, งพระอริยรรสัจสี่ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความทุกข์ใจนั้นเกิดจากความอยากต่างๆในกรณีของพระอัญญาณโกลทัญญาก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย พระพุทธเจ้า ส, สอนว่าต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของร่างกายซึ่งไม่ใช่เป็นใจร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายอย่าไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราอย่าไปยา ให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอทรงสแสดงอย่างนี้พระอานยานโกลธั ญ, ญธรระก็เข้าใจและสามารถตัดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้คือไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายอีกต่อไปอย่างที่ได้เปล่งวาจาออกไว้ว่าการ ส, สิ่งอันใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานั่นก็คือร่างกายที่เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟนี้มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องมีการตายไปเป็นธรรมดาพระอัญญาตโคนทยะเห็นชัดอยู่ภายในใจเพราะในขณะที่อยากให้เกิดอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายใจก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพอตัด สินใจไม่ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ใจทรมานใจก็หายไปนี่เรียกว่านิโรธนิโรกก็คือความดับของความทุกข์ที่มีอยู่ในใจผู้ปฏิบัติจะเห็นได้อย่างชัดเจนถ้ามีสมาธิเพราะสมาธินี้จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัตินี้ เห็นการเปลี่ยนแปลงของของความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาจะเห็นอย่างชัดเจนเพราะเป็นเหมือนกับน้ำนิ่งแล้วเกิดอาการกระเพื่อมขึ้นมานั่นเองแต่สำหรับปุทุชนหรือผู้ที่ยังไม่มีสมาธินี้จะไม่สามารถเห็นการกระเพื่อมของจิตได้เพราะจิตกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา จึงไม่รู้ว่าตนเองนั้นอยู่ในห่วงของความทุกข์และไม่รู้วิธีไม่รู้เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาและไม่รู้วิธีที่จะทำให้เกิดให้ความทุกข์นั้นดับไปให้เกิดนิโรธขึ้นมาดังนั้นการที่จะบรรลุธรรมได้นั้นจึงจำเป็นต้องมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิและมี ปัญญาคือผู้แสดงธรรมที่รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุทั้งหลายถ้าผู้ฟังมีศีลมีสมาธิที่มั่นคงคือจิตต้องรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกตารุนถ้ายังไม่รวมลงนี้จิตจะยังไม่นิ่งพอที่จะเห็นความแตกตา่าง เวลาที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าจิตรวมลงเป็นเอกตารมแล้วเวลาจิตกระเพื่อมเวลาเกิดความอยากขึ้นมาจะเห็นความทุกข์กระเพื่อมขึ้นมาเลยก็จะรู้ว่าปัญหาอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความอยากเชนเ่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายและเมื่อเห็นว่าความทุกข์ความกระเพื่อมของจิตนี้เป็นโทษ เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจยิ่งกว่าความแก่ความเจ็บความตายเพราะความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นภัยต่อร่างกายแต่เป็นภัยที่ร่างกายหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของใจนี้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจที่จิตใจสามารถกําจัดปัดเป่าไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ด้วยการพิจารณาความจริง เพื่อตัดความอยากที่เป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตายไปเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็เลยตัดความอยากได้เพราะอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยากไปก็ไม่ได้ทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่กลับจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเปล่าๆผู้ที่ฉลาดผู้ที่มีความสุขมีความสงบของใจก็จะต้องรักษาความสมุบสุขของใจเพราะเป็นความสงบสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าสิ่งใดเหนือกว่าการมีชีวิตอยู่เหนือกว่าการมีร่างกายการมีร่างกายนี้ไม่ได้ ทำให้มีความสุขแต่กับทำให้จิตใจต้องมีภาระถ้าไม่มีความทุกข์อย่างน้อยก็ต้องมีภาระที่จะต้องคอยเลี้ยงดูคอยหาปัจจัยสี่มาบำรุงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีร่างกายแล้วใจกับจะสบายกว่าเหมือนกับคนที่ต้องแบกของหนักไว้บนบ่ากับคนที่ไม่ต้องแบกของหนักใครจะสบายกว่ากัน จิตที่ต้องมีร่างกายก็เป็นเหมือนคนที่ยังต้องแบกของหนักไว้บนบ่าส่วนคนที่ไม่มีร่างกายเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกท่านก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องแบกของหนักท่านก็อยู่อย่างสบายนี่คือความสุขความสบายของใจต้องไม่แบกสิ่งต่างๆ ไม่แบกร่างกายไม่แบกรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่แบกราบยศสรรเสริญไม่แบกความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของหนักเพราะมีมีความทุกข์นั่นเองเนื่องจากว่าอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนันตตาเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ถาวร ไม่คงที่ไม่คงเส้นคงวาได้มาแล้วก็บดไปได้จากเราไปได้ถ้าเรายึดติดเราก็จะเสียใจเวลาที่เขาจากเราไปในขณะที่เขาไม่จากเราไปเราก็มีความทุกข์วิตกกังวลมีความหวงมีความหวงังนี่คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความหลง ของใจที่ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆโดยคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่ า, าลนั้นจะให้ความสุขกับใจแต่ความจริงแล้วให้ความสุขเพียงนิดเดียวในขณะที่ได้มาใหม่ๆแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะให้ความทุกข์มาให้ความทุกข์มากกว่าความสุขหลายร้อยเท่าด้วยกันแต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิ จะไม่เห็นความทุกข์ที่จิตใจจะต้องแบกกับสิ่งต่างๆไม่เชื่อลองเปรียบเทียบดูเองก็ได้เวลาที่เราอยู่คนเดียวเป็นโสดกับเวลาที่เราต้องมีคู่ครองแต่งงานมีครอบครัวมีลูกอย่างนี้ใครจะมีความทุกข์มากกว่ากันถ้าเป็นโสดก็มีทุกข์จากความความเหงาความว้าเหว่แต่คนที่มี คู่ครองนี้ก็จะมีความทุกข์ที่เกิดจากต้องจากคู่ครองนั่นแหละคือจะต้องหวงต้องห่วงต้องกังวลต้องเสียใจเวลาที่คู่ครองของตนเปลี่ยนไปหรือจากตนไปแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องทุกข์กับคู่ครองของตนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีแล้วก็จะต้องเป็น ความทุกข์เป็นภาระขึ้นมามีรถยนต์ก็มีภาระที่จะต้องถ้ายังไม่มีเงินสดซื้อก็ต้องมีภาระที่จะต้องผ่อนต้องหาเงินมาผ่อนจ่ายค่ารถยนต์ต้องหาเงินมาจ่ายค่าน้ำมันต้องมาคอยล้างรถคอยซ่อมรถคอยเอาเข้าอู่อยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องวิตกกังวลเวลาจอดทิ้งไว้ตอนกลางคืน ว่าจะหายไปหรือไม่ถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปจอดไว้ที่ไหนดีถ้าย้ายไม่ทันเวลาน้ำมาก็จะทำให้รถเสียได้นี่เป็นความทุกข์ของคนที่มีรถยนต์คนที่ไม่มีรถยนต์ก็สบายไม่ต้องทุกข์กับการดูแลรถยนต์อยากจะไปไหนก็ขึ้นรถสาธารณะมีมากมาย ไม่จำเป็นจะต้องนั่งนั่งนั่งคันเก่าสามารถเปลี่ยนรถนั่งได้เรื่อยๆถ้าเบื่อรถเก๋งก็นั่งรถเมย์นั่งรถตู้มีทุกชนิดหรือถ้าจะเช่ารถก็ได้ถ้าอยากจะใช้รถนานๆก็เช่ารถเป็นเป็นพักพักไปช่วงไหนต้องใช้รถบ่อยมากก็เช่ารถไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องมากังวลเพราะรถที่เช่ามาเขามีประกัน หายไปเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องเสียนี่คือเรื่องของความทุกข์ที่ใจของเราจะต้องแบกกับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆนี้ไม่เที่ยมนั่นเองแล้วก็เราไม่สามารถไปควบคุม บ, บังคับไปสั่งให้เขาเป็นไปตามควางต้องการของเราได้อะไรจะเกิดขึ้นกับเขานี้เราไม่สามารถที่จะไปห้ามได้เสมอ บางครั้งเราก็ห้ามได้แต่บางครั้งเราก็ห้ามไม่ได้ถ้าเราหลงยึดติดเราก็จะมีความทุกข์เวลาที่เกิดการพัดพาจากของสิ่งของต่างๆไปนี่คือความทุกข์ของพวกเราทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้เพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่เคยคิดถึงคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาว่ามันเป็นอะไร มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราทุกวันทุกขณะเลยแต่เรากลับไม่เห็นกันเราไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้นี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา mm. เช่นรูปเสียงเปลี่ยนลดผุดพะนี้ mm. ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารูปนี้ที่เข้ามาทางตาเรานี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆคนนั้นมาเดีียวคนนี้มาเดียวคนนั้นไปเน๋ยวสิ่งนั้นมาสิ่งนี้ไป มีรูปเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดับไปตลอดเวลาถ้าเราไปหลงยึดติดกับรูปใดรูปหนึ่งเวลารูปนั้นหายไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเห็นรูปที่สวยงามเราชอบพอรูปนั้นหายไปก็จะเกิดความว้าเหวขึ้นมาเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาจะต้องติดตามหารูปนั้นมาดูเช่นเห็นคนที่เราชอบเราก็ต้องพยายามตามเข้าไปเรื่อยๆ ตามไปแล้วก็อยากจะให้เขามาเป็นสมบัติของเราพอได้มาเป็นสมบัติของเราเราก็ต้องรักและต้องหวงแล้วก็ต้องห่วงเวลาที่ไม่เห็นเขาก็ต้องกังวลว่าหายไปไหนเวลาที่เขาจากเราไปก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าทนไม่ได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายนี่คือ สิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะว่าเขาเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขถ้าเราพิจารณาว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่เที่ยงแต่ความแต่ใจเราอยากให้เที่ยงก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุม บ, บังคับ ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราพิจารณายอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากจะมีอะไรและการไม่อยากได้ไม่อยากมีอะไรนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความสุขแต่มีความสุขมากกว่าการมีอยู่อีกหลายร้อยเท่าด้วยกัน แล้วก็ไม่มีความทุกข์ถ้ามีก็มีความสุขเพียงนิดเดียวแล้วก็มีความทุกข์ย่างใหญ่โตมโหมโหลาถ้าไม่มีก็จะไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็มีความถุกมีความสุข อ, อันยิ่งใหญ่สุขที่เกิดจากความสงบนี้ชนะความสุขทั้งปวงพระเจ้าสรงัด ว่าไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสมุบของใจความสมุบของใจนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไม่มีความทุกข์ใจความทุกข์ใจก็ต้องไม่มีก็ต้องเกิดจากการไม่มีความอยากได้อะไรนั่นเองนี่คือปัญญาที่พระเจ้าทรงนำมาสอนให้พวกเราให้เห็นโทษของความอยากต่างๆของเรา อย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่ามันไม่สมอยากเพราะความอยากของเรามันสวนกับความจริงความจริงคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ใจเรานักจะอยากให้สิ่งต่างๆเที่ยงแท้แน่นอนความจริงคือสิ่งต่างๆเราไม่สามารถควบคุมบังคับได้แต่เราชอบควบคุมบังคับเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจึงสร้างความทุกข์ ให้กับใจ ข, ข, ของเราขึ้นมาตลอดเวลาแลาจะสร้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนไม่ได้เห็นพระอริยสัจสีไม่เข้าใจถึงการทำงานของทุกสุขทัยนิโรธมรรที่กำลังทำอยู่ภายในใจของเราส่วนใหญ่ภายในใจของเรานี้จะมีแต่ทุกข์กับสุทยัย พราะเรามีความอยากอยกอู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากรูปอยากเสียงอยากกลิ่นอยากรถอยากเสพสัมผัสกับโภทภชนิดต่างๆก็ไปเปิดดูโทรทัศน์ไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาเครื่องดื่มชนิดต่างๆมารับประทานไปหาขนมนมเลยต่างๆมารับประทานไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทําได้เท่าไหร่น่ากน้อยเท่าไหา่ ก็ไม่รู้จักอินไม่รู้จักพอสักทีเวลาที่ไม่ได้ทำก็เกิดความเศร้าซร้อยเหงาเหงาว่าเว่เบื่อหน่ายเช่นเวลาต้องอยู่บ้านไม่ได้ออกไปข้างนอกนี้จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาใจเพราะอำนาจของกามาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่ทำงานอยู่ตลอด24ชั่วโมงนี่เราจึงต้องมาตัดกามาตัญหาความอยากในการ ตัดภาวะกัหาความอยากมีอยากเป็นตัดวิภวะกัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นด้วยการด้วยการทำบุญให้ทางด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาเพราะนี่คือเครื่องมือที่จะดับความอยากต่างๆทั้งหลายได้หมดเช่นวันนี้ญาโยมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง แทนที่จะอยากเอาเงินนี้ไปดูหนังฟังเพลงก็เอามาทําบุญให้ทานเสียเอามาทําบุญก็เป็นการตับกามะความอยากได้แทนที่จะไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงก็เอาเงินนี้มาทําบุญที่วัดการทําบุญที่วัดก็จะดับกามะตัณหาความอยากที่ไปเที่ยวได้ในระดับหนึ่งก็จะทาให้ใจเกิดความสงบขึ้นในระดับหนึ่ง เช่นเมื่อเรามาวัดแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขใจมีความเบา อ, อกเบาใจสบายใจนั่นก็เพราะว่าความกดดันของกามาตัณหาความอยากนี้ได้ถูกทําลายไปส่วนหนึ่งนั่นเองถ้าเราทําบ่อยขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขใจมากขึ้นเวลาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปข้างนอกก็จะไม่รู้สึกเศร้าซร้อยง่อยเหงา ไม่รู้สึกเหื่อหนานกลับจะรู้สึกว่าอยู่บ้านนี่แสงจะสบายเวลาออกไปข้างนอกนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายไหนจะต้องขับรถจะต้องติดบนท้องถนนเวลาจะต้องใช้สถานที่ใช้ห้องน้ำห้องท่าก็ไม่สะดวกเหมือนกับตอนที่อยู่บ้านอยู่ที่บ้านนี่มีของทุกอย่างพร้อม บ, บริบูรณ์สุขสบายแต่กลับอยู่ไม่ได้ พราอำนาจของกาม m a ตามหานี่แต่ถ้าเราสามารถที่จะตัดมันหรือทำให้มันเบาบางลงไปได้เราก็จะสามารถอยู่บ้านได้มากขึ้นไปตามลาดับจนในที่สุดเราจะไม่อยากออกไปนอกบ้านเลยเพราะเราไม่มีความอยากในรูปเสียงกิก่งรอดแล้วนั้นนี่แหคือความสุขที่พวกเราควรที่จะขวนขวายสร้างให้เกิดขึ้นมา คือความสุขใจที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการทำบุญให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิและเจริญปัญญาเป็นงานที่เราต้องทำกันเองพระพุทธเจ้าทำแทนเราไม่ได้มอบความสุขอันนี้ให้กับเราไม่ได้ถึงแม้พระสงฆ์องค์เจ้าจะสวดอนุโมทนาขอให้สุขให้เจริญด้วยอายุวันณ่สุขกับระ อันนี้ก็เป็นเพียงความปรารถนาดีเท่านั้นเองแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันะสุขะละ น, นี้ต้องเป็นของหน้าที่ของเราที่เราจะต้องสร้างมันขึ้นมาพระสององค์เจ้าให้เราไม่ได้พระพุทธเจ้าให้เราไม่ได้แต่ท่านสอนวิธีให้เราผลิตขึ้นมาได้สร้างขึ้นมาได้ก็คือให้ทำบุญให้ทานรักษาสีล ให้นั่งสมาธิและให้เจริญปัญญานี้จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังพระธรรมคำสอนเพื่อนําเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความดับทุกขที่จะตามมาต่อไปนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา